ตอนที่21บ้านโดนขโมยขึ้นตามหลักการแล้วอายุของหลีหวานควรจะเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แต่นางไม่อยากเสียเวลาในชั้นมัธยมต้นนานนักผลการสอบเข้าในระดับชั้นมอสองของนางจึงได้คะแนนเต็มทุกวิชาแม้แต่ข้อสอบของชั้นมสามนางก็ยังคว้าคะแนนเต็มมาได้เช่นกันครูจึงแนะนําให้เข้าสอบจนเข้าสอบเข้ามัธยมปลายในปีนี้เลยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7และ8ของเดือนหน้า ลี่ชิงผิงตกใจกับความฉลาดของลูกสาวมากแต่นางกลับรู้สึกกลัวมากกว่าที่เกือบจะทําให้ลูกสาวต้องเสียโอกาสไปลูกสาวของนางไม่เคยเข้าเรียนอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่วันเดียวแต่กลับทําข้อสอบมาสามได้คะแนนเต็มสิ่งที่นางไม่รู้ก็คือต่อให้เป็นโจทย์ระดับมัธยมปลายสําหรับหลีหวานแล้วมันก็เป็นเรื่องง่ายได้ ย, ยิ่งนักหากไม่ใช่เพราะหลีหวานกังวลว่าการเป็นอัจฉริยะจะดึงดูดสายตาผู้คนมากเกินไปนางคงอยากจะเข้าสอบเกเข้าสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยในปีนี้ไปเลยด้วยซ้ํา อีกอย่างคือนางในตอนนี้อายุยังน้อยเกินกว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยสู้เรียนในชั้นมัธยมปลายไปก่อนสามปีจะดีกว่าทะเบียนบ้านของหลีชิงผิงและหลีหวานนั้นโจเจี้ยนเย่ยเป็นคนให้ความร่วมมือจัดการย้ายออกมาหลังจากที่เขากลับจากบ้านเกิดมายังเมืองจริงวันต่อมาหลีชิงผิงจัดการเรื่องเอกสารการเข้าเรียนของเสียหวานทันทีตอนนี้ชื่อของนางถูกบรรจุอยู่ในทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมต้นชั่วคราวและตามความเห็นของครูเดินหน้าหลีหวานจะต้องเข้าสอบจงเข้าโดยตรงตามการจัดการของโรงเรียน เมื่อสองแม่ลูกจัดการธุระเสร็จสิ้นขณะที่กำลังเดินออกจากประตูโรงเรียนก็บังเอิญพบกับโจเจียนเย่และหลิวเคอเคอเข้าพอดีช่างเป็นศัตรูที่มักเจอกันในทางแคบเสียจริงไม่นึกเลยว่าจะมาพบพวกเขาในสถานที่เช่นนี้ได้หลิวเคอเคอร์อทำราวกับจงใจประกาศความเป็นเจ้าของนางยื่นมือไปควงแขนของโจเจียนเย่ไว้โดยตรงพางเลิกคิ้วมองหลีชิงผิงอย่างผู้ชนะก่อนจะปลายตาไปทางหลีหวานไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ลิชิงพิงเสียหวานไม่เคยเรียนหนังสือเลยสักวันเธอคงไม่ได้คิดจะให้นางเข้าเรียนมัธยมต้นโดยตรงหรอกนะโจเจี้นย้ขมวดคิ้วดูเหมือนเขาเองก็ไม่พอใจนักที่ต้องมาพบสองแม่ลูกที่นี่แต่เมื่อเป็นเรื่องของลูกสาวโจจี้นี้คิดว่าเขาควรจะพูดอะไรบางอย่างเสียหวานอายุเท่านี้จะเข้าเรียนมัธยมต้นก็ไม่ผิดหรอกแต่ในตอนที่นางควรจะเรียนนางกลับไม่ได้เรียนแล้วตอนนี้เธอจะให้นางเข้าเรียนมัธยมต้นทันทีเธอตั้งใจจะให้นางไปขายหน้าในห้องเรียนหรืออย่างไร ไม่เคยเรียนหนังสือเลยแม้แต่วันเดียวตามหลักแล้วควรจะเริ่มเรียนตั้งแต่ชั้นประถมเพื่อปูพื้นฐานใหม่การข้ามาเรียนมัธยมต้นโดยตรงเช่นนี้จะไปเรียนตามคนอื่นทันได้อย่างไรหัวคิ้วที่ขมวดแน่นของโจเจียนยิ่งขมวดรึขึ้นไปอีกหลีชิงผิงผู้หญิงคนนี้ช่างไม่มีสมองเอาเสียเลยตอนนั้นคนที่ไม่ยอมให้ลูกเรียนหนังสือคือนางและตอนนี้คนที่ให้ลูกเข้าเรียนมัธยมต้นโดยตรงก็คือนางอีกนี่มันเป็นการทําลายอนาคตทั้งชีวิตของเด็กชัดๆ โจจี้นี้อาปากตั้งถ้าจะตำหนีอีกสองสาประโยคแต่หลีชิงทิงกลับแค่นเสียงหัวร้อยเยนชาออกมาตอนนี้ฉันมีความสามารถที่จะตัดสินใจเองได้แน่นอนว่าฉันย่อมต้องอบรมสั่งสอนลูกสาวของฉันให้ดีโจเจี้นี้ในสายตาของคุณเสี่ยหวานโง่เขลาขนาดนั้นเลยหรือขายหน้าอย่างนั้นหรือเฮ่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครกันแน่ที่จะขายหน้าสายตาของหลีหวานจับจ้องไปที่แขนของโจเจี้นี้และหลิวเคอเคอที่ควงกันแน่นนางเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย ทั้งสองคนนี้ผูกติดกันไว้ได้ก็ดีแล้วโจเจี้ยนเย่ยจะได้ไม่มีเวลามาหาเรื่องพวกนางอีกตอนที่หลี่ชิงผิงยังไม่อยากกับโจเจี้ยนเย่ยนางเคยเสนอเรื่องให้เสียหวานเข้าเรียนหนังสือมากกว่าหนึ่งครั้งแต่หนิวซูเฟินกลับคัดค้านหัวชนฝาโดยอ้างว่าที่บ้านไม่มีเงินหลี่ชิงผิงเองก็ไม่มีเงินติดตัวแม้แต่หยวนเดียวม่เช่นนั้นหากนางหาทางหาเงินได้นางคงให้ลูกสาวได้เรียนหนังสือไปนานแล้วที่ฉันพูดนื้หมายถึงให้เธอมองความเป็นจริงบ้าง ในสายตาของโจเจียนเย่หลีชิงผิงทำเหมือนกำลังประชดประชันเขาเสียมากกว่าการเอาอนาคตของเด็กมาใช้ประชดประชันเช่นนี้นางยังมีความเป็นแม่หลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่ตอนนี้ฉันก็มองความเป็นจริงอยู่ลีชิงผิงยกมือขึ้นวางบนไหล่ของเสียหวานก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปทันทีเจียนเยเรนี้คุณอย่าเพิ่ ง, งโมโหไปเลยไว้พอเสียหวานเรียนตาไม่ทันหลีชิงผิงก็จะรู้เองว่าสิ่งที่นางทานั้นมันผิดหลิวเคอเคอเอ่ยปลอบใจอย่างแสนดีพลางนึกอะไรขึ้นมาได้จึงก็มองนาฬิกาข้อมือ พวกเราเร่งเข้าไปกันเถอะเดี๋ยวจะสายเอาได้โจเจี้นเย่ส่งเสียงอืมในลำคอด้วยความหงุดหงิดวันนี้เขามาเป็นเพื่อนหลิวเครอรเครอเพื่อจัดการปัญหาให้กับน้องเมียในอนาคตเด็กชายชั้นมาสามคนนั้นนิสัยดืวอรัน้นไม่ฟังใครสัปดาห์ก่อนก็ทำกระจกห้องเรียนแตกเมื่อวานยังต่อยเพื่อนนักเรียนจนเลือด ก, กําดาไหลทันทีที่ก้าวเท้าเข้าห้องทางานครูประจาชั้นของหลิวหลินหลินก็หันมาตาหนิผู้ปกครองอย่างหนักทันที หลิวหลินหลินไม่เพียงแต่ไม่ตั้งใจฟังที่ครูสอนแต่เขายังรบกวนเพื่อนนักเรียนคนอื่นด้วยคะแนนของเขาไม่มีทางสอบเข้ามาัธยมปลายได้แน่ดังนั้นครูแนะนําให้พวกคุณพากลับบ้านไปตั้งแต่วันนี้เลยเขาไม่จําเป็นต้องเข้าร่วมการสอบจงเข้าแล้วคุณครูเขพูดแบบนี้มันเกินไปหน่อยไหมคะสรุปคือน้องชายของฉันไม่มีแม้แต่สิทธจะเข้าสอบจงเข้าเลยงั้นเหรอหลิวเคอเคอโต้แย้งอย่างไม่พอใจ น้องชายของฉันก็แค่ซนไปหน่อยแต่สมองของเขายังฉลาดมากที่เขาสอนยากก็แสดงว่าพวกคุณที่เป็นครูบกคร่องต่อหน้าที่คุณจะมาจมตีผลการเรียนของเขาตามใจชอบแบบนี้ไม่ได้โจเจี้ยนเย่ที่ยืนอยู่ข้างๆในหัวกลับมีแต่ภาพของหลีชิงผิงและหลีหวานเมื่อครูเขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปสุดท้ายหลิวเคอเคอก็ถึงขั้นทะเลาะ ก, กับครูอย่างรุนแรงจนครูโกรธจัดมีหน้าเลาบ้านพวกคุณถึงได้เลี้ยงเด็กออกมาเป็นแบบนี้พระผู้ปกครองอย่างพวกคุณมาไม่รู้จักเหตุผลเอาเสียเลย ถ้าพวกคุณไม่เต็มใจจะพากลับไปก็ช่างเธออย่างไงเดือนหน้าเขาก็ต้องเข้าสอบจงเข้าอยู่ดีฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเหนื่อยกับน้องชายคุณอีครูโบกมืออย่างรำคาญใจถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วก็กลับไปเถอะช่างเสียเวลาจริงๆที่เรียกผู้ปกครองของหลิวหลินหลินมาหึคอยดูเถอะคะแนนสอบจงเข้าของน้องชายฉันไม่เลวแน่เสียแรงที่เป็นครูอย่าได้มองคนผ่านช่องประตูจนเห็นคนตัวเตี้ยไปหน่อยเลยหลิวเคิรเคิรทิ้งคำพูดเชื่อเชฉญไว้นางจบมหาวิทยาลัยมาเชียวณน้องชายของนางจะแยกไปได้ถึงไหนกัน ตอนที่นางสอบจนเข้านางยังทําคะแนนได้เกินคาดเลยต่อให้สอบเข้ามัธยมปลายฉันนําไม่ได้แต่โรงเรียนที่รองลงมาหน่อยจะสอบไม่ติดเชี่ยวหรือครูคนนี้ช่างไนิสมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติเอาเสียเลยหลิวเคอเคอรควงแขนโจโจี้นเี้เดินกลับไปปากก็ยังคงพร่าด่าครูของหลิวหลินหลินไม่หยุดว่าเรื่องมากโจเจี้นี้ฟังจนเริ่มรําคาญเคอเคอก่อนจะถึงวันสอบจงเข้าเธอควรจะรีบตีวหนังสือให้หลินหลินหน่อยนะพยายามให้เขาทำคะแนนได้มากขึ้นอีกนิดฉันรู้ค่ะ ฉันจะติวให้เขาอย่างดีแน่นอนหลิวเคอเคอผุดยิ้มบางๆที่มุมปากช่างดีเหลือเกินโจเจียนเย่รู้จักเป็นห่วงนางแล้วกลางดึกคืนนั้นหลิหววันจัด ก, การธุระในมิติเสร็จสิ้นและกำลังจะเข้านอนทันใดนั้นนางก็ได้ยินเสียง ข, ขุกขักดังมาจากในลานบ้านนางตื่นตัวขึ้นมาทันทีโดยสัญชาตญาณพางผ่อนลมหายใจให้ช้าลงมีคนแอบเข้ามาสิ่งแรกที่หลิหวันคิดก็คือบ้านโดนขโมยขึ้นเสียแล้ว นางลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยพอเดินไปถึงหน้าประตูทันใดนั้นก็มีเสียงร้องอกักดังขึ้นอย่างกระทันหันเจ็บเจ็บใครอยู่ข้างนอกนะหลีชิงผิงเองก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวเช่นกันนางรีบเปิดไฟในลานบ้านด้วยความลอนลานหลีหวานมองผ่านหน้าต่างบนประตูออกไปเห็นเจ้างวินฉงกําลังกดตัวหัวขโมยที่พยายามจะลุกขึ้นไว้กับพื้นในใจพลันรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดก่อนจะเปิดประตูออกไปนี่มัน ดูเหมือนลีชิงผิงจะตกใจไม่น้อยใบหน้าของนางซีดเผือดเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ทําตัวลับๆล่อๆคงคิดจะเข้ามาขโมยของนะครับเจิ้งอวินฉงเอ๋อขึ้นทันทีไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะคุมตัวเขาไปส่งที่สถานีตํารวจก่อนอ้อได้ๆลีชิงผิงยังตั้งตัวไม่ติดเจิ้งอวิน๋นฉงจึงส่งสั ญ, ญญาณให้นางไปเปิดประตูบ้านลีชิงผิงถึงเพิ่งจะได้สติประตูก็ปิดล็อกอยู่แล้วขโมยเข้ามาได้อย่างไรแล้วเจิ้งอวิ๋นฉงเข้ามาได้อย่างไรกัน